แนดดาบทอาบบาซาบทอาบบาซาเป็นบทมัคคิยามี42องค์การบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องราวของชายตาบอดอับดุลลออิบนูอุมมีมักตูซึ่งได้มาหาทราัรรูลุสัลลัล ล, ลอฮุลอยวะสัลลัมขอร้องท่านให้สอนสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงแจ้งแก่ท่านขณะนั้นทรัรรุ ล, ลุสัลลัล ล, ลอฮุลอยวะสัลลัมกำลังยุ่งอยู่กับผู้นำชาวกุเรสคณะหนึ่งที่ท่านกำลังเชิญชวนพวกเขาไปสู่อิสลาม ท่านดาบีมอมัตสันหลลล์ไวร์สันลำไม่สบอารมณ์จึงมีใบหน้าบูดบึง้งและผินหลังให้เขาอันกุรานจึงประทานลงมาตำหนิท่านแล้วบทได้กล่าวถึงความดื้อรั้นของมนุษย์และการปฏิเสธศรัทธาต่อพระเจ้าของเขาทั้งที่ความโปรดปรานอย่างมากมายของอลอได้มีต่อเขาต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆแห่งเดชานุภาพในจักรวาล น, นี้โดยที่ลอทรงอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์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 ววเาขาโมมัดทำหน้าบึ้งและผิดหลังไปทางอื่นเพราะชายตาบอดมาหาเขาและไร่เหล่าที่ใช่เจ้ารู้หวังว่าเขาจะมาเพื่อสักฟอกจิตใจก็ได้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 แเผาถังให้สะดวกแก่เขาต่อมาพระองค์ทรงให้เขาตายและให้เขาลงหลุมามออดชแล้วเมื่อพระองค์ทรงประสงค์ก็สรยเขาฟื้นคืนจิตลลมมไม่ใช่เช่นนั้นเขาไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงชใช้เขา ล, ลอาอลม มนุษย์จงพิจาราดูอาหารของเขาสิเราได้หลังน้ำฝนลงมามากมายอย่างไรแล้วเราได้แยกแผ่นดินออกแล้วเราได้เมล็ดพืชงอกออกจากแผ่นดินและอา่านว และพืชผักและมะกอกและอินทผลามัมและเรื่องสวนอันมากมายและผลไม้และทุงะ่งหญ้าทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าและสัตว์เลี้ยงของพวกเจ้า ขันเมื่อเสียงกรมานาฏมาถึง ว, วันที่ผู้คนจะหนีจากพี่น้องของเขามมและจากแม่ของเขาและพ่อของเขาและจากภริยาของเขาและลูกๆของเขา สำหรับแต่และคนในหมู่พวกเขาในวันนั้นมีภาระพอตัวแก่เขาอยู่แล้วหลายใบหน้าในวันนั้นแจ่มใสหัวเราอดีใจร่าเริงและหลายใบหน้าในวันนั้นมีฝุ่นจับ ความม่นมองจะปกคลุมบนใบหน้านั้นชนเหล่านั้นคือพวกปฏิเสธศรัทธาพวกประพฤติชั่ว